สี่สิบห้าพันฝาของพระพุทธเจ้าพระนิพลธ์สมเด็จพระยา น, นสันมวลสมเด็จพระสังฆราชสกคลมหาสังฆปริณายก กรุงพราณสีนั้นได้มีกุลบุตรผู้หนึ่งเป็นบุตรเศรษฐีชื่อยัสสมารดาบิดาห่วงแห่งรักษาเป็นอย่างดีจนถึงสร้างปราสาทให้อยู่ในสามฤดูในคืนวันหนึ่งยัสส์กุลบุตรนั้นได้รับความบำเรอให้เป็นสุขด้วยดนตรีต่างๆบนปราสาทที่มีแต่สตรีล้วนได้หลับไปก่อนสตรีทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บำเรอหลับภายหลังแต่ยัะกุลบุตรได้ตื่นขึ้นก่อน และได้เห็นอาการต่างๆของสตรีผู้นอนหลับก็มีความเบื่อหน่ายจนถึงอุทานขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องแล้วก็ลงจากปราสาทเดินไปออกประตูเมืองพาราณสีตรงไปยังป่าอิสิปตนมฤุทายวันแล้วก็เดินบนไปอย่างนั้นในขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จเดินจงกรมอยู่ทรงได้ยินเสียงยศกุลบุตรผลไปอย่างนั้นตรัสขึ้นว่า ที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวาย ย, ยัสสากุลบุตรได้ฟังก็มีความยินดีว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายก็นั่งลงพระพุทธเจ้าก็ตรัสอนุปุภะพิภคาและอริยสัพสีจบแล้ว ย, ยัสสากุลบุตรเกิดดวงตาเห็นธรรมขันสว่างขึ้นมารดาของยสัสสากุลระบุตรได้ขึ้นไปบนปราสาทไม่พบบุตร ก็ออกไปบอกเศรษฐีผู้บิดาเศรษฐีผู้บิดาก็ส่งคนไปเที่ยวค้นหาส่วนตนเองได้เดินไปทางป่าอิสิปัตนะมฤรุกขายวันพบรองเท้าทองของบุดวางอยู่ก็ตรงเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่ายาัษากุลบุตรอยู่ที่นี่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่งลงแล้วก็จะพบยักษากุลบุตรเศรษฐีผู้บิดาก็นั่งลงพระพุทธเจ้าทรงแสดงอุลุปุพระพิคถา และอริยสัจสี่เศรษฐีผู้บิดาก็เกิดดวงตาเห็นธรรมและแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตนับว่าเป็นอุบาสกคนแรกผู้เปล่งวาจาถึงรัตนะสามเป็นสรณะในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุปปุกพระพิคถาและอริยสัจแก่เศรษฐีผู้บิดานั้นยักษ์อุระบุตรก็ได้ฟังทบทวนไปด้วย ก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้มองเห็นยักษ์ศาส ก, กุลบุตรจึงกล่าวขึ้นชักชวนให้กลับไปบ้านอ้างว่ามารดากําลังคร่องครวญถึงเป็นอย่างยิ่งขอให้ขอให้ชีวิตแก่มารดาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายาาักษาสกุลบุตรเป็นผู้มีจิตสิ้นอาสะวะกิเลสแล้วไม่ควรที่จะกลับไปเป็นครหัตติเศรษฐีผู้บิดาจึงอนุโมทนา และได้นิมนต์พระพุทธเจ้าก่อให้ยศกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะเข้าไปฉันในเรือนของตนยาศกุลบุตรได้ทูลขอบังปรชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปฉันในเรือนของเศรษฐีมีพระยาศา ซ, ซึ่งอุปสมบทใหม่เป็นปัจฉาสมณะและได้เทศนาโปรดมารดาของพระยาศากับปุราณะทุตติยิกาซึ่งแปลว่า สตรีผู้เป็นที่สองคนเก่าหมายถึงภัญญาซึ่งกลายเป็นคนเก่าไปแล้วได้ให้ดวงตาเห็นธรรมด้วยอนุปุภะพิกถาและอริยปัจจีเช่นเดียวกันสตรีทั้งสองนั้นได้แสดงตนเป็นอุบาสิกาพูดถึงรัตนสามเป็นสวรณะตลอดชีวิตนับว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงรัตนสามเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา อมาก็มีสหายของพระยาศาะอีกสี่คนซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีที่เสษสกุลกันมาโดยลําดับได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ฟังอรูปุภะพิกถาและอริยสัจสี่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ทูลขออุปสมบทได้อุปสมบทโดยเอหิภิกขุอุปสปัมปทาต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงอรูปสาสั่งสอนจนจิตพ้นจากอาสวะเป็นพระอรหันขึ้นรวมเป็นพระอรหรัน สิอ็ดองในโลกต่อมาสหายชาวชนบทของพระยศอีกห้าสิบคนได้ข่าวเข้าใจว่าธรรมวินัยที่พระยศออกบวชนั้นจะไม่เป็นของต่ําำสามการบวชของพระยศก็คงไม่เป็นของต่ําำสามจึงได้พากันมาพระยศได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุปภะพิกถาและอรยิยสัจสี่จนสหายห้าสิบคนนั้นได้ดวงตาเห็นธรรม ทูลขออุปสมบทได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาต่อมาเมื่อได้ฟังพุทธโอวาทที่ทรงอนุส า, าสอนอบรมก็มีจิตพ้นจากอสุวะเป็นพระอรหันต์ขึ้นรวมเป็นพระอรหันต์61องค์ในโลกนับว่ามีจำนวนมากพอสมควรพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดำรัสโดยความว่าเราผู้ตถาคตเป็นผู้พ้นจากบ่วง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ทั้งหมดแม้ท่าทั้งหลายก็เป็นผู้พ้นจากบว่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ทั้งหมดท่านทั้งหลายจงเที่ยวจาริปไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์เพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่โลกเพื่อความสุขแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าสองรูป อย่าไปโดยทางอันเดียวกันคือให้ไปทางละหนึ่งรูปแยกกันไปจงแสดงธรรมที่มีความไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดพร้อมทั้งอัคัดคือเนื้อกวามพร้อมทั้งเพยียญชนะคือถ้อยคำประกาศโรมจรรมันคือพระศาสนาที่บริบูรณ์บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงสั์ทั้งหลายที่มีทุลีในจัตสูุ มีกิเลสที่บางดวงตาปัญญาแต่เพียงเล็กน้อยมีอยู่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมก็จะเสื่อมประโยชน์ผู้ที่รู้ธรรมก็จักมีอยู่ส่วนเราผู้ตถาคตเองนั้นจะไปยังอรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงส่งพระสาวกซึ่งเป็นผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเริ่มแยกกันไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นอย่างนี้ในสมัยนั้น พิสูจนที่แยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาได้ไปในทิศทางต่างๆกันในชนบทต่างๆกันเมื่อมีใครต้องการบรรมชาอุปสมบทก็ต้องนํามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าประทานบรรมชาอุปสมบทเป็นความลําบากฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภถึงความลําบากในข้อนี้ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นผู้บรรมชาอุปสมบทเองได้ด้วยได้ปรับอนุญาต ให้ผู้ที่ประสงค์จะบรรมชาติอุปสมบทปรองผมและหนวดก่อนมุ่งผมผ้ากาสายะคือผ้าย้อมน้ำฝาดทำผ้าเฉวียงบาดข้างหนึ่งไหว้เท้าพิษุทธิางหลายนั่งประยงประของอัญชลีแล้วนําให้ป่าวาจาถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามก็เป็นอันอุปสมบทเป็นภิกษุได้ ด้วยพิธีเพียงเท่านั้นวิธีนี้เรียกว่าติตองักคมนอุปสมปทาอุนุปุภะพิกถาคราวนี้จะอธิบายอุนุปุภะพิกถาและอริยรรสัจสี่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสอนแก่ยัษะครบุตรเป็นต้นคำว่าอุนุปุภะพิกถาแปลว่าถ้อยคำที่กล่าวโดยลำดับตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปมีห้าคือ ทานกถาถ้อยคําที่พรรณนาทานศีลกถาถ้อยคําที่พรรณนาศีลสักกกถาถ้อยคําที่พรรณนาสวรรค์กามาธีนวกถาถ้อยคําที่พรรณนาอาทีนภะคือโทษของกามเนกาคัมมานิสังสกถาถ้อยคําที่พรรณนาอนิสงของเนกาคัมมะคือการออกจากกามถ้อยคําที่พรรณนาทานนั้นทาน แปลว่าให้เป็นชื่อของวัตถุแปลว่าวัตถุที่ให้เป็นชื่อของเจตนาแปลว่าเจตนาเป็นเหตุให้ทางพระพุทธศาสนาแสดงฐานด้วยมุ่งให้บุคคลทำการบริจาคเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือบูชาเป็นการเผื่อแผความสุขให้แก่ผู้อื่นและด้วยมุ่งกจาจัดโลภะคือความโลภมัทริยะ คือความตรหนีในจิตใจของตนด้วยแต่ว่าทานในพระพุทธศาสนาที่จะมีผลมากนั้นต้องประกอบด้วยวัตถุสมบัติความถึงพร้อมด้วยวัตถุคือสิ่งที่ให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้รับตามสมควรไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีโทษเจตนาสมบัติความถึงพร้อมด้วยเจตนาคือมีเจตนาดีตั้งแต่เมื่อก่อนให้ในขณะที่ให้และไม่ภายหลังที่ให้แล้ว กับปิกิคาหักกะสมบัติความถึงพร้อมด้วยปฏิกิคาหกกะคือผู้รับหมายถึงว่าผู้รับก็ต้องเป็นผู้สมควรเช่นเป็นผู้ที่ควรอนุเคราะห์เป็นผู้ที่ควรสงเคราะห์เป็นผู้ที่ควรบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วผานที่พระพุทธเจ้าทรงสันเสริญจึงต้องเป็นผานที่เรียกว่ามีการเลือกให้ไม่ใช่ให้โดยไม่เลือกคือต้องเลือกวัตถุ เลือกเจตนาเลือกบุคคลผู้รับกับต้องดูให้พอเหมาะสมไม่ทำตนเองให้ต้องลำบากเพราะการให้พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงฐานกคาถาพรณนาฐานี้เป็นข้อที่หนึ่งต่อจากนั้นก็ทรงสแสดงศีลศีล น, นั้นตามศัพท์แปลว่าปกติหมายถึงความปกติกายปกติวาจาปกติใจไม่ถูกกิเลสดึงไป ให้ประพฤติพุทธิริตต่างๆฉะนั้นจึงต้องมีวิรัติเจตนาความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วนั้นนั้นจึงจะเป็นศีลศีลในพระพุทธศาสนานั้นอย่างต่ำก็คือศีลห้าได้แก่เจตนานงดเว้นจากภัยหรือเวณห้าประการฉะนั้นศีลจึงเท่ากับเป็นความไม่มีเวณไม่มีภยัยเมื่อรักษาศีลก็เท่ากับว่าธรำอภัยทาน คือให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายและตัวผู้มีศีลเองก็เป็นผู้ที่ไม่ก่อภัยก่อเวรขึ้นแก่ตัวเองด้วยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเสียนี้เป็นข้อที่สองโตจากนั้นก็ทรงแสดงสวรรค์คําว่าสวรรค์ก็ออกมาจากสับบาลีว่าสักแปลว่าที่เป็นที่ค่องเป็นที่ติด ก, ก็ได้ที่เป็นที่มีอารมณ์อัเลิศ ก, ก็ได้ ตามที่เข้าใจกันสวรรค์เป็นโลกอีกส่วนหนึ่งซึ่งบุคคลพูดทำความดีจะพึงเข้าถึงในเวลาที่เสิ่นชีวิตไปจากโลกนี้แล้วและในคำภีก็แสดงสวรรค์ไม่มากเช่นสวนรรค์กา ม, มาพรจรที่แปลว่าชั้นที่ยังยังลงในกามหกชั้นแต่สวรรค์ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่มีแสดงไว้ในตำราเก่าก่อนพระพุทธศาสนาและมาถึงพระพุทธศาสนา ก็ยังมีติดมาในคำพีพระพุทธศาสนาแต่ก็ติดมาไม่หมดคือติดมาบางส่วนอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสวรรค์ในปัจจุบันคือได้ตรัสไว้ในที่แห่งหนึ่งมีความว่าสวรรค์ชั้นภัสสายตนะหกชั้นอันเราเห็นแล้วคือสวรรค์เกิดขึ้นทางอายตนะที่ให้เกิดภัสสะได้แก่ไม่ที่ใด มีรูปที่น่ารักใครปรารถนาพอใจที่จะพึงเห็นได้ด้วยตาที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นภาษายตนชั้นรูปในที่ใดมีเสียงที่น่ารักใครปรารถนาพอใจที่จะพึงได้ยินได้ด้วยหูที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นภาษายตนชั้นเสียงในที่ใดมีกลิ่นที่น่ารักใครปรารถนาพอใจที่จะพึงสูดได้ด้วยจมูกที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้น ภาษายตนชั้นขานะในที่ใดมีรถที่น่ารักใกล้ปรารถนาพอใจที่จะพึงลิ้นได้ด้วยลิ้นที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นภาษายตนาชั้นชิวหาในที่ใดมีโผทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องที่น่ารักใกล้ปรารถนาพอใจที่จะพึงกระทบถูกได้ด้วยกายที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นภาษายตนชั้นกายในที่ใดมีธรรมคือเรื่องราวต่าง มีเรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้นที่น่ารักใไร้ปรารถนาพอใจที่พึงจะรู้ได้ด้วยใจที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นภาษายตนาะชั้นธรรมะคือชั้นเรื่องราวตามพระพุทธภาษิตนี้เป็นอันทรงสแสดงสวรรค์ชี้ลงไปกลางๆจะในเวลาไหนคือในบัดนี้หรือในอนาคตในโลกนี้หรือในโลกหน้าก็ตามทีเมื่อมีผลเป็นชิ้นนี้อยู่ที่ใด ในที่นั้นก็ชื่อว่าเป็นสวรรค์เพราะจักเป็นที่มีอารมณ์อันเลิศมีอารมณ์ที่งดงามและในขณะเดียวกันก็เป็นที่ข้องที่ติดเป็นอย่างยิ่งด้วยคือว่าเป็นที่ปรารถนาพอใจอย่างยิ่งสวรรค์ดังกล่าวมานี้จำต้องอาศัยทานอาศัยศีลเป็นเหตุพิจารณาดูตามกระแสะปัจจุบันก็จะเห็นเข้าเรื่องกันได้กับสวรรค์หกชั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสนั้น คือเมื่อต่างมีพานเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่กันและกันและมีศีลไม่เบียดเบียนกันและกันให้อภัยกันและกันก็จะต่างมีความสุขด้วยกันเมื่อมีความสุขด้วยกันอยู่ก็จะมีความเจริญตาเจริญหูเจริญจมูกเจริญลิ้นเจริญกายเจริญใจปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากความคับแค้นและที่เกิดจากการบีดเบียนกัน ก็เป็นผลที่เรียกได้ว่าสวรรค์อยู่แล้วสวรรค์นี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นข้อที่สามต่อจากนั้นก็ทรงสแสดงกามาทีนกคือโทษของกามสวรรค์ที่ได้ชื่อว่าเป็นกามคือเป็นที่รักใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจเป็นอย่างยิ่งคำว่ากามนั้นเป็นวัตถุที่เป็นภายนอกดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง เป็นชื่อของกิเลสในใจของบุคคลคือเป็นชื่อของความใคร่ความปรารถนาความพอใจเมื่อมีความใคร่ความปรารถนาความพอใจเป็นกิเลสกามในจิตใจวัตถุข้างนอกจึงได้พลอยเป็นกามไปด้วยแต่ถ้าจิตใจไม่มีกิเลสกามอยู่วัตถุข้างภายนอกก็เป็นวัตถุเฉยเฉยไม่เป็นกามของผู้นั้นเหมือนอย่างบุคคลสามัญซึ่งมีกิเลสกามอยู่ในใจ เมื่อไปในที่ไหนในที่นั้นก็เป็นกามของเขาเพราะว่าเป็นที่รักใกล้ปรารถนาพอใจแต่พระอรหันต์จะไปในที่ไหนในที่นั้นไม่เป็นกามของท่านเพราะว่าท่านไม่มีความรักใไร้ปรารถนาพอใจในสิ่งนั้นนั้นก็คงเป็นวัตถุนั้นนั้นอยู่โดยธรรมดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงกามจึงมีความหมายเป็นสองหมายถึงวัตถุภายนอกก็ได้ หมายถึงกิเลสในใจก็ได้แต่ว่าโดยปกติเมื่อกราวอย่างสามัญคำว่า ก, กามเป็นชื่อของวัตถุภายนอกเพราะเป็นที่ใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจของบุคคลทั่วไปสวรรค์แมะ้จะมีอารมณ์อันเลิศสักเท่าไหร่ก็ยังเป็นกามคือเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจและเป็นสิ่งที่ต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปมีเกิดมีดับ เหมือนอย่างวัตถุทั้งปวงในโลกถึงจะเปลี่ยนแปลงไปช้าในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเมื่อไปมีความรับใคร่ปรารถนาพอใจมากเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ยิ่งทำให้ต้องเป็นทุกข์มากเพราะฉะนั้นอันนี้จึงชื่อว่าอาทีนบคืคอโทษของกามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้ให้เห็นเป็นข้อที่สต่อจากนั้นก็เป็นข้อที่ห้า มทมแสดงเนื้อขำ ม, มัตคือการออกจากกามการออกจากกามนั้นออกทางกายได้แก่การออกบวชประการหนึ่งออกทางใจได้แก่การทําจิตใจให้เป็นสมาธิจนสงบสงบจากกามจากอคุสนกรรมทั้งหลายอีกประการหนึ่งเป็นเหตุทําให้จิตใจสงบและมีความสุขตัดกังวลห่วงใยอันเกี่ยวกับกามด้วยประการทั้งปวง พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงยกขึ้นโดยเป็นอันสงของเนคขมมะเป็นข้อที่ห้าเมือ่อได้ทรงแสดงอุ ป, ปุปพระพิกถาทั้งห้าประการแล้วทรงพิจารณาเห็นว่าผู้ฟังมีจิตช่ำชื่นผ่องใสปราศจากนิวรคือกิเลสเครื่องกั้นจิตมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสสมควรที่จะรับพระธรรมที่สูงขึ้นไปเหมือนอย่างผ้าที่ซักให้สะอาดราศจากมลทินต่างๆ คนที่จะรับน้ำยอมได้แล้วจึงได้ทรงแสดงอริยสัจสี่คือทรงชี้ทุกข์ชี้สมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ชี้นิโรธความดับทุกข์ชี้มักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยในดังในปฐมเทศนานั้นอริยสัจสี่นี้เรียกว่าสามุกกันสิกธรรมเทศนาคือเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเอง เพได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยปกติเมื่อได้ทรงแสดงอุนุปปภะพิคถาและอริยสัจสี่แล้วผู้ฟังก็เกิดดวงตาเห็นธรรมที่ท่านแสดงว่าใต้เป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาอุนุปปภะพิคถาและอริยสัจสี่นี้ตามประวัติในพระพุทธศาสนาปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่มนุษย์ซึ่งเป็นข้ารือหัด ไม่ทรงแสดงแก่เทพพยดาหรือภิกษุและผู้ที่จะทรงแสดงนั้นเป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสเบิกบาคนควรที่จะได้รับผลจากการฟังฉะนั้นจึงปรากฏว่าเมื่อได้ฟังจบลงแล้วจึงได้รับผลคือได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรร ม, มนั้นตามศัพท์เรียกว่าธรรมะจักขุท่านแสดงไว้ตรงกันคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดความเห็นขึ้นอย่างนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าเกิดธรรมะจักสุขจะฟังเทศกรรมไหนๆก็ตามเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้พิจารณาดูก็น่าเข้าใจว่าคือเห็นทุกข์นั่นเองเห็นเกิดดับเรียกว่าเห็นทุกข์หรือว่าเห็นทุกข์คือเห็นเกิดดับโดยมาก เห็นแต่เกิดยังเห็นชีวิตของเราในบัดนี้เรารู้จักกันแต่เกิดแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะดับดับนั้นเราคิดว่าอยู่ข้างหน้าคือว่ายังมาไม่ถึงในปัจจุบันก็คือเกิดและยังดำรงอยู่ยังไม่เห็นดับเป็นคู่กันไปแต่ความเห็นที่จะเรียกว่าเห็นธรรมนั้นต้องเห็นดับคู่ไปกับเกิดพร้อมกันเมื่อเห็นดับคู่ไปกับเกิดพร้อมกันแล้ว กิเลสก็ไม่มีที่ตั้งจะตั้งความชอบความชังไว้ที่ไหนความชอบความชังที่เป็นกิเลสนั้นจังอยู่ได้ต้องตั้งให้สิ่งที่เราเห็นว่ายังมีอยู่ยังเป็นอยู่คือในสิ่งที่ยังเกิดอยู่แต่ว่าถ้าเห็นว่าดับเสียแล้วกิเลสก็ไม่มีที่ตั้งชอบก็ไม่มีที่ตั้งชังก็ไม่มีที่ตั้งเพราะไม่มีอะไรจะตั้งเพราะเห็นว่าดับเสียแล้วฉะนั้นโดยปกติบุคคล จึงยังไม่ชื่อว่าเห็นทุกขสัจจะจะเห็นก็เห็นเพียงนิดหน่อยถ้าจะเห็นที่เป็นดวงตาเห็นธรรมจะต้องเห็นให้ตลอดคือเห็นถึงดับและเห็นให้ได้ในปัจจุบันเมื่อเห็นถึงดับได้ในปัจจุบันกิเลสไม่มีที่ตั้งนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมและผู้ที่ฟังเทศจนได้ดวงตาเห็นธรรมนี้ท่านไม่ได้ฟังเพื่อจะมุ่งกาหนดว่าเทศว่าอย่างไรเบื้องต้นแสดงอย่างไร ข้ามกรามแสดงอย่างไรข้างท้ายแสดงอย่างไรคือไม่ได้มุ่งจะจำถ้อยคำมุ่งแต่เพียงเข้าใจให้อย่างแจ่งแจ้งการบรรลุในขั้นแรกในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องเกิดดวงตาเห็นธรรมดังกล่าวมานี้เมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมในขั้นแรกนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงจะทรงอบรมให้เกิดปัญญาสูงขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดโปรดติดตามรับฟังสี่สิห้าพรรษา ของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป